รรมชชาดกแผ่นที่หกลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่11มิถุนายน2552มีชื่อเรื่องว่ามะม่วงลืมคุณ เมื่อวานโยมเจ้าของโครงการการบวชเหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วเราบวชพระที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้ไประชุมหารือกันเราบวชเป็นโครงการอุปสมบทบูชาพระบุรพาาจารย์ แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อปีที่แล้วและก็ปีนี้ก็คงจะลักษณะเดียวกันแต่จุดประสงค์ก็คืออยากจะบวชเพื่อเป็นการบูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงตามหาบัวที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราของหลวงพ่อนะ่ะท่านอายุเกสบหกปีปีนี้ ส2บสองเสียงหาในครบถ้วนอายุเก้าสกปีเพราะนั้นลูกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็คิดกันคนละทิศละทางจะทำยังไงเป็นการบูชาพระคุณของท่านเมื่อปีที่แล้วผูดขึ้นมาแบบจงแจ้งว่าบวชเพื่อบูชาพระคุณหลวงตามหาบัวกับมีลูกศิษย์ลูกหาบางกลุ่มออกมาต่อต้านไม่เห็นด้วยเอาชื่อหลวงตาออกไปขาย ก็เลยเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่ออุปสมบทบรรพชาอุปสมบทเพื่อปูชาพระคุณบุรพาจารย์และก็สืบทอดพระพุทธศาสนาพระบุรพาจารย์เนี่ยคือตั้งแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกั น, เ, นเป็นพระบุรพาจารย์ทั้งหมดตั้งแต่พระโมกขาราสารีบุตรกัจสปะอานน์ อุบาลีวัุรุทธะพระเถระมาจนถึงยุทธหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆเป็นปรพาจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นผู้ชี้แนะชี้นาพวกเราตอนี้เราบวชเพื่อบูชาพระคุณของท่านก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนบูชาทั้งองค์หลวงตาด้วยะ อันนี้ก็คือการจะบวชในปีนี้นะนาคทั้งหมดที่จะมาบวชในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะประกาศให้รับทราบทั่วนากันอันดับแรกก็คือบวชเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงตาจะบวชเป็นสองขยักคืออันดับแรกก็คือจะบวชสามเดือนในพรรษาสามเดือนอันนี้ก็คือบวชรัตแรกบวชรัตที่สองก็คือ แต่อย่างน้อยก็ต้องสิบห้าวันแต่ก็ให้คอมวันที่สิบสองสิงหาเพราะว่าวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันเกิดองค์หลวงตาเลยพระครูบาอาจารย์จะต้องเข้าไปกราบคารวะทำวัดเป็นประเพณีงั้นสิบสองสิงหาจะเข้าไปพร้อมกันทั้งพระใหม่พระเก่าพระที่บวชในโครงการก็จะเข้าไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้คือ เป็นการบูชาพระคุณคือบำเพ็ญคุณงามความเลียงความดีบูชาพระคุณเหมือนกับบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้า ว, วันวิสาขะบูชาพวกเราเข้าไปรักษาศีลแล้วก็เข้าไปบวชเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเวนัตว์สั่งสอน พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เคารพนับถือเหลื่อมใสาจากนั้นก็อย่างองค์หลวงตาเนี่ท่านก่อนนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาขยายผลมาตีแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราก็ถือว่าองค์หลวงตาเนี่เป็นผู้มีพักคุณสําหรับพวกเราอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เซาเนี่ ที่เป็นต้นตระกูลตั้งแตสอนหลวงตามหาบัวสอนหลวงปู่หลาสสอนครูบาอาจารย์ที่เรารันับถือครูบาอาจารย์กับมาสอนพวกเราต่ออีกต่อไปพวกเราก็สอนแนะนําสั่งสอนผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปอีกเป็นทอดๆก็เป็นอยังไงจารุมพรุปก็คือเป็นผู้ที่แนะนําสั่งสอนเราเรียกว่าเป็นบุรพา j a r เป็นอาจารย์ของพวกเราเราบวชบูชาพระคุณพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บวชเพื่อบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระบุรพาจารย์บูชาพระคุณของท่านท่านมีผู้มีอุปกรณคุณแต่ไม่ใช่เราบวชมาอุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธเจ้า เราไม่ได้บวชมาอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระโมกขาราสาลีบุตรคัจฉาอาโน์ไม่ใช่อันนั้นบาปถ้าคิดเช่นขึ้นมาแล้วเป็นบาปล่ะเป็นบาปในใจเพราะเหตุไรเพราะพระ พ, พุทธเจ้าพระรหานสาวกทั้งหลายท่านพอแล้วท่านเต็มแล้วเ อ, อเราไม่ใช่ว่าเราจะไปเทน้ําใส่ให้เต็มอีกเราไม่ใช่ว่าจะเอาเทของใส่แก้วให้เต็มอีกเพราะท่านเต็มอยู่แล้วท่านล้นอยู่แล้ว มีแต่ว่าบูชาพระคุณก็คือเราจะยกแก้วไปนั้นให้สูงขึ้นบนศรีรษะของพวกเราฮะบูชาพระคุณลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธเจ้าบวชอุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธเจ้าพระบูรพาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นความคิดผิดคิดไม่เพระไม่ใช่เราอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไม่ใช่ถวายพระราชกุศลให้ท่านแต่ว่าถวายพระราชกุศลนี่ก็คือ อย่างในหลวงของเราเพราะนั้นเราบวชเข้ามาถวายสิ่งที่ดีเข้าไปที่มีคุณค่าเข้าไปในแก้วไปนั้นให้เต็มตื่นขึ้นอนนี้ถวะถวายเป็นพระราช ก, กุศลเพราะใครๆก็ต้องการกุศลทั้งนั้นคือกุศลคือความสุขใจแต่พระหันท่านแล้วเนะี่ยท่านพอแล้วความสุขท่านก็ไม่เอาความทุกท่านก็ไม่เอา ท่านเต็มแก้วแล้วไม่มีอะไรที่จะบกพ่องแล้วในความบริสุทธิ์ของท่านนั้นเะฉะนั้นเราจรึงเชิดชูบูชาบวชเพื่อบูชาพระคุณคล้ายๆกับยกกระถางนั้นรือน้ำตุ่มนั้นหรือน้ำขันนั้นที่เต็มเปี่ยมแล้วนะยกชูบูชาขึ้นบนศีรษะของพวกเราวันนี้เป็นผู้ น้ำเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอ่เป็นผู้มีอุปกรคุณเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งอ่าสำหรับพวกเราอันนี้แหละคือการบวชในครั้งนี้คือกานเป็นการเทิดทูนบูชาเอ่อคาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำนี้เนี่ยอ่มันลึกซึ้งมากแต่ละอ่แต่ละแนวความคิดอ่เป็นการลึกซึ้ง ถ้าจะคิดดูให้ละเอียดทีทวนแล้วเพราะว่ามันมีหลายระดับเกินที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ก็เป็นบุพกาจาร์เป็นอาจารย์คนแรกของบรธิดาเราพูดว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามาจากพ่อแม่อันนั้นไปนว่าเป็นผู้เนรคุณนะเป็นผู้ลืมกรรมพืชของตนเองแล้ว คือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและจากนั้นท่านก็ให้การแนะนำสั่งสอนลูกเอ้ยกินอย่างนี้นะนอนอย่างนี้นะอาบน้ำอย่างนี้นะลูกจะรู้จักอะไรตุ๊กเล็กเด็กแดงตัวดแดงๆนอนง่ายแบแบบะเบาอยนั่นะดิ้นแนวๆอยู่นะั่นพ่อแม่จะต้องดูแลจะต้องอาบป้ำจะต้องอุปถัมปะถากลูกของตนเองจากน้องกนแนะนาสั่งสอนลูก ของตนเองให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักทานอาหารรู้จักขับถ่ายสอนขึ้นมาเรื่อยๆผลที่สุดก็นั้นพ่อแม่ต้องทำให้ทั้งทำให้ดูด้วยทั้งสอนทั้งบอกเป็นภาษาพูดด้วยทั้งแนะนำด้วยทั้งดุดาว่าก้าวด้วยสรุปแล้วก็คือเป็นบุพก า, า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกของพวกเราก็คือพ่อแม่จากนั้นก็ท่าน เข้ามาโรงรับโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนอีกครูบาอาจารย์สอนคือบางทีท่านก็เต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแต่ท่านก็ทําตามหน้าที่เพราะท่านได้รับเงินเดือนจากพวกเราว่าจ้างให้ท่านเป็นผู้สอนแต่บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์โดยจิตวิญญาณก็มีให้ข้าวได้วิชาความรู้มาสอนพยายามสอนให้ลูกสิทธิ์ลูกหาตัวเองได้รับความรู้ความฉลาดความสามารถ อันนี้บางคนก็ทำไปแบบช่างกะตายก็มีครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็มีเพราะหลบบสอนๆเพราะทใไมทำคนตัวเองก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดือนอันนั้นแปลว่าครูบาอาจารย์ไม่ออกมาจากจิตวิญญาณไม่ใช่วิญญาณครูบาอาจารยเา์เป็นวิญญาณอีกแบบหนึ่งอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่โดยมากครูบาอาจารย์เนี่ยโดยมาก เป็นจิตวิญญาณออกมาจากวิญญาณที่จะจะสอนแนะนําพวกเราให้เข้าเข้าใจอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์อันนี้สมณพราหมณ์สมณพราห ม, มณ์ก็คืออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอันนี้ท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราแต่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติทำมาได้รับความรู้ทางด้านจิตใจมาอย่างไร ท่านก็พยายามถ่ายทอดถ่ายเทยให้แก่พวกเราให้ศึกษาว่าศีลเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้นะอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าจ้างท่านอีกต่างหากเอีอ่ยาว่าว่าจ้างคล้ายๆว่าเป็นปัจจัยสี่อันนั้นก็เป็นเรื่องของพวกเราที่จะอ อ, อยู่ด้วยกันบางทีท่านให้เรามากกว่าก็มีบางทีเราก็ถวายท่านก็มีแค้แค่ว่าเกื้อคุนหนุนกันเพราะทุกคนทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพวกเราก็ต้องการ การเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่คือข้าวน้ําโภชนาะอาหารผ้านุ่งหม่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์และลูกศิษย์ใครๆก็ต้องการให้อยู่พาย อ, อยู่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์แล้วไม่ทานอาหารไม่นุ่งผ้าหม่มเฉลมก็ไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เหมือนกัน เ, เมื่อลูกศิษย์ลูกหาถวายครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์ได้มากเอาเอมอบไปแก่ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้ อันนี้เรื่องปัจจัยสี่แต่ส่วนธรรมะทางด้านจิตใจนั้นครูบาอาจารย์ท่านรู้เห็นมาอย่างไรท่านปฏิบัติผ่านมาอย่างไรทั้งจิตวิญญาณท่านจะพยายามถ่ายเทและถ่ายทอดให้แก่พวกเราให้เข้าใจในเนื้อหาสาระธรรมะนั้นๆอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นบางองค์ท่านก็บอกว่าไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์ อ, อย่างยกอย่างหลวงพ่อนเป็นต้น หลวงพ่อเนีพยายามถ่ายเทวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับความรู้ความฉลาดในด้านประพฤติ <ary> ปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อมีเท่าไหร่หลวงพ่อถ่ายเทแนะนําสั่งสอนให้แก่ศิษยาณุศิษย์ของหลวงพ่อให้เข้าอกเข้าใจเรื่องความรู้ความฉลาดเรื่องหลักธรรมวินัยเรื่องกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรม่งคุณธรรมจริยธรรมแหมสรุปแล้วก็คือธรรมวินัย คุ ณ, ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติคุ ณ, ณธรรมก็คือสอนทางด้านจิตใจให้จิตใจนึกคิดเรื่องอะไรอย่างไรถึงจะถูกต้องศีลธรรมก็คือกฎหมายการเป็นอยู่ควรี่มีกฎระเบียบเป็นอยู่อย่างไรแต่ถ้าจะว่าไปแล้วศีลเนี่ยยังยังหยาบอยู่คล้ายๆกับเป็นเครื่องปรบับปรับความชั่วทางกายทางวาจาให้ สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันอยู่หมัดไว้ก่อนคุ ณ, ณธรรมเนะะี่ยเขาเข้ามาทางจิตใจแนวความนึกคิดอะไรในความนึกคิดควรจะนึกคิดอย่างไรในจริยธรรมเนะะี่ยคือความประพฤติออกมาจากความนึกคิดที่ดีแล้วออกมาใช้อีกว่าเขาเราเราเขาถ้าเราไปพูดให้แก่เขาอย่างนั้นเขาก็คงจะไม่พอใจถ้าเขามาพูดให้แก่เราะ มาพูดให้แก่เราอย่างนี้เราก็าไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะพูดให้แก่เขาถ้าเขามาทำให้แก่เราอย่างนี้เราไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะทำให้แก่เขานี่แหละคือจริยธรรมคือความประพฤติเขาเราเขาเราแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้ า, าว่าประพฤติเราไปเอาเล่าให้เขากินเราเขาก็พอใจเพราะเขาชอบเราเราก็ชอบเราเหมือนกันเขาเล่ามาให้กินเราก็ชอบใจพอใจ เอออันนี้แปลว่าถูกต้องไหมจริยธรรมนมี่ถูกต้องไหมก็ไม่น่าจะถูกเพราะเหตุใจเพราะผิดศีลธรรมศีลธรรมมันผิดแล้วเมื่อผิดเบื้องต้นแล้วจะมาถูกจริยธรรมได้อย่างไรเพราะนั่นมันเกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่ความไม่ถูกต้องนะคือคือมันไม่ถูกต้องจากศีลมาแล้วคุณธรรมจะไปถูกได้ยังไงจริยธรรมมันจะถูกได้ยังไง เพราะนั้นศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกันอันนี้ก็คือแนวคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นอย่างองค์หลวงตาที่ท่านไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นไม่เว้นแต่ละวันอันนี้ก็คือการแสดงออกขององค์ท่านกายวาจาใจของท่านคือท่านไม่ให้ลืมครูบาอาจารย์ถ้าเราเร้รับธรรมะ จะเป็นของเล็กน้อยจากองไหนก็ตามอันนั้นคือถือว่าครูบาอาจารย์ถ้าว่าใครก็ตามลืมบุญคุณหรือลืมพระคุณของครูบาอาจารย์คนนั้นจะหาความเจริญในชีวิตได้ยากเพราะอะไรเพราะลืมครูบาอาจารย์ยท่านในชาดกท่านยังยกขึ้นมามีพราหมณ์ท่านหนึ่ง ไปนอนอยู่ต้นไม้ไปนอนอยู่ป่ามะม่วงในสวนอุทยานทีนี้ก็คนจันทานท่านไปเรียนจากลือศีพอไปเรียนจากฤือศีมาแล้วลื อ, อีก็ให้คาถาให้คาถาเพื่อเสกคาถามะม่วงผิดระดูการเสกคาถามะม่วงให้ผิดระดูการ แต่นี่คนจันทานแก็ว่าสมัยก่อนมีกษัตริย์มีพราหมณ์แพทย์สูตรมะะั่งมีวันนะศีมั่ะเนี่ยคว่าวันนะต่ำที่สุดนั่นแหลกะเอางั้นได้ไปเรียนจากคาถาจากฤาษีมาท่านก็ไปเลยอยากจะกินมะม่วงแฟนของเขาอยากจะกินมะม่วงแพ้ท้องมั่งงั้นเขาก็ไปนั่ง ไล่ค า, าถาจมคาถาเดี๋ยวมะม่วงก็ออกเป็นดอกเป็นผลออกมาผิดฤดูกาลแต่นี้พราหมณ์คนหนึ่งไปนอนไปเข้าไปในสวนมะม่วงไปเห็นมันเป็นพราหมณ์โปรหิตร่างนั้นเนี่ยปโปรหิตก็คือเป็นองค์ขมนตรีของพระเจ้าแผ่นดินในกรุงพลาเนสีนั่นไปเห็นโอ้ถามว่าตามให้จริงพวกพราหมณ์เนี่ยดูถูกด้ะพราหมณ์เนี่ยดูถูกดูถูกพวกวันนั้นต่ํากว่าน แต่นี้ก็อยากจะได้คาถาบอยากจะได้คาถากับคนจันทานคนจันทานมันไม่ได้ถ้าจะถ้าจะสอนคาถาให้ต้องนั่งต่ํากว่าข้าต้องเป็นอาจารย์เพราะวิชาเนี่ยเป็นวิชาจะไปประนมมือให้แก่คนสูงกว่าจะสอนคาถาให้คนนั้นไม่ได้อันนี้ผิดคาถาไม่ได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ก็พราะมันก็จําใจจําเป็นก็ต้องยอมอเพราะอยากได้คาถาเนี่ย พอเห็นอยู่แล้วเนี่ยพาถามไล่มนให้เป็นมะม่วงให้ได้กินอยู่ทนะ่านั่นก็ยอมไปหาในที่มุมไม่ให้ใครเห็นพอไม่ให้เห็นแต่นนั่นก็พามก็นั่งต่ํากว่าอาจารย์ที่เป็นจันทานนี่ยกวันณนะวันณะต่ำเนี่ยก่อนขึ้นไปนั่งบนที่นั่งที่สูงกว่าเอาปนอมเมอ <laughs> จันทานว่าถ้าอยากจะได้ปนอมเมอเดี๋ยวจะสอนให้ คลามกักราบแล้วนปนมมือฟังอาจารย์นี่ก็สอนสอนวิชาให้เพอาะฉอนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาทดลองดูซิก่อนจบคาถาแล้ะเขาก็เป็นไล่มนต์ดูโอ้ได้กินมะม่วงจริงๆว่าวกันอืมพอเสร็จแล้วก็อาจารย์ที่เป็นจันทานี่บอกว่าคาถานี่นะเมื่อเราได้มาจากใคร เราต้องเคารพนับถืออาจารย์เทิดทูนบูชาอาจารย์ให้เหนือให้เหนือหัวให้เหนือเสียนแล้วก็อย่าไปปิดบังว่าเราเรียนมาจากใครถ้าเขาถามว่าเรียนมาจากใครเราก็ต้องบอกเสื้อถ้าเขาต้องการโคดแซ่สกุลก็ต้องบอกให้เขาให้หมดไม่ให้ปิดบังอันนี้คือคาถาเนี่เป็นคาถาธรรมะเป็นคาถาเสมอภาค ไม่ใช่ว่าเป็นคาถาตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่ตระกูลกระถับตระกูลแพทย์ตระกูลพรามไงที่นี้ก็สอนในเสกจาร์รับยอมรับตงนะะั้นโปรโหิตได้คาถาไปจากนั้นก็วันดีคืนดีก็เลยไปทูลพระราชาบอกทูลพระราชาอยากจะเสวยผลมะม่วงไหมผิดละดูการอา้าวทาได้เลยได้เอพอไปทำทีนี้ก็ไปเศกคาถา พอเสกคาถาขึ้นมาโอ้ได้กินมะม่วงจริงๆถึงอพอ ก, กินเสร็จแล้วก็พระราชาก็ถามอาจารย์เรียนคาถานี่มาจากไหนคือกษัตริย์เนี่ยก็รังเกียจคนวันหน้าต่ำอยู่แล้วพราหมณ์เนี่ยก็ก็กึอกอักประมาณนั้นอ่ะพอคนที่สุดก็เลยบอกว่าผมเรียนมาจากาพราหมณ์ปโลหิตหรือว่าเรียนมาจาก ผู้ศักดิ์สิทธิ์เทวดาลักษณะอย่างนั้นไม่บอกว่าเป็นคนจันทานเลยโอ้คาถานี่เวทมนตนี่ดีจริงๆนะอาจารย์เนเป็นที่ยอมรับอาจารย์กันได้หน้าได้ตาพางั้นพอต่อมาที่นี่อาจารย์อยากจะโวยให้นมะม่วงอีกนะไปะออกไปในสวนว่ะอาจารย์ก็ทำพิธีเขียนแล้วก็เซคคาถาเซทอะไรก็ไม่เป็นมะม่วงอีกเนะ เพราะเหตุไรเพราะมันเสื่อมเพราะปราหมาดครูปลาหมาดครูว่างั้นเถอเพราะว่าครูบอกว่าต้องบอกนะว่าเป็นใครเป็นผู้สอนวิชาให้ตัวเองปลาหมาทครูผลในสุดเสกคาถาเท่ า, าไรไม่เป็นมะม่วงเสกจนเหงื่อแตกก็ไม่เป็นมะม่วงเลยพระราชาก็เลยถามว่าทําไมกรำอึง้งทําไมเอบอกผมตรงๆที่ทาไมมันจึงเป็นอย่างนี้ พรางตัวเหี้ยก็เลยอกึอกอก็เลยบอกว่าเนี่ยอผมเรียนคาถามาจากอาจารย์ที่เป็นจันทานคนที่ต่ำวันหน้าต่ำเขาก็บอกว่าให้ข้าใครถามก็ตามก็ต้องบอกตามความเป็นจริงแต่กับผมก็กลัวพระราชาจะตำหนิผมได้เพราะว่าผมเรียนจากวิชาจันทานมาอคาถามนี้วิจันทานเขาก็เรียนมาจากฤาษีอีกที่นึง จมาสอนให้ผมผมก็เลยปิดบังพระราชาได้ยินอย่างนั้นคิดว่าจะให้เขาเป็นคนดีนะพระราชาเนี่ยคนเนรและคุณไปใสคือคาออกไปเนีเป็นลืมได้ยังไงครูบาอาจารย์ที่สอนตอนเองก็ต้องบอกสิว่าครูบาอาจารย์เป็นใครให้ความรู้ความฉลาดแก่ตนเองแล้วทำไมจึงไม่กล้าที่จะแสดงออก ผลที่สุก็เลยใส่คือคาให้หนีออกนอกประเทศก็เลยไปบอกอาจารย์ที่เป็นจันทานเะนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาแล้ให้เป็นโพลหิตแทนอีกเหมือนกันเนะ้ให้เป็นโพลหิตแทนนี่แหละเป็นผู้มีคุณธรรมเอจะเป็นกษัตริย์ก็ตามจะเป็นพรามก็ตามเป็นข้าบุรีเศรษฐีพ่อค้าประชาชนระดับไหนก็าตามไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะเป็นคนดีคนดีนะั่นจะต้องสร้างขึ้นมา จะต้องทำขึ้นมาเองจะต้องประพฤติปฏิบัติมันจึงจะเป็นคนดีได้ถ้ า, าว่าเกิดขึ้นมาแล้วทำความชั่วก็เป็นชั่วอย่างเกานะ่านไม่ใช่โคตรตระกูลจะให้ดีไม่ใช่ว่าเกิดมาตระกูลเป็นพ่อค้าอะจะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่พ่อค้าเหลวก็มีตั้งเยอะแยะไปไม่ว่าตระกูลไหนล่ะ เ, เกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่จะดีเอาเลยจะต้องประพฤติปฏบิบัติเอานี่แหละทักกลัมคือการกระทำ กลัมคือการกระทำความประพฤติทางกายทางวาจาจะให้เป็นคนดีและคนไม่ดีต้องกระทำอยากจะให้ตัวเองมีความรู้ความฉลาดก็จะต้องศึกษาค้นคว้าศึกษาวิชาความรู้จึงจะเฉลียวฉลาดได้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาในสกุลทิศปาโมกอาจารย์แล้วขึ้นมาจะฉลาดเอาเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าตัวเองไม่กระทำเอาเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาอย่างว่ากลัมคือการกระทำ ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเถ้าว่าตัวเองไม่ทําความดีแล้วจะได้ดีได้อย่างไรเพราะนั้นตระกูลก็ดีเอยศถาบรรดาศักดิ์ที่มันได้มาอจะเป็นจกักรพรรดิพราหมณ์แพทย์สูตรตระกูลไหนก็ตามไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะดีได้ทีเดียวจะต้องทําจะจ้องสร้างจะต้องประพฤติปฏิบัติเอาอตระกูลนั้นเพียงแต่ว่า เป็นผู้มีบุญมาเกิดในสกุลแต่ถ้าว่าตัวเองไม่ทำลงไปแล้วก็ต่ำต้อยยิ่งกว่านะคนที่เขาประพฤติปฏิบัติดีที่เขาอยู่ในตระกูลต่ำนะเขากระทำคมดีเขายังสูงส่งกว่าทางด้านความรู้ความฉลาดความสามารถเนี่ยหลักของพุทธศาสนาที่ท่านไปนเทศให้แก่พวกพราหมณ์ที่ถือยศฐานบรรดาศักดิ์สูงๆนะท่านจะพูดท่านจะตรัสในลักษณะอย่างนี้ พอดานพวกเราคิดวิเคราะห์ดูซิว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ะท่านพูดถูกไหมฮะ อ, อีกอย่างหนึ่งก็อย่าดูถูกครูบาอาจารย์ถึงจะเป็นใครก็ตามให้ความรู้ความฉลาดกับเราแล้วเราเข้าใจในธรรมะข้อนั้นๆถือว่านั้นอ่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนะี่ยนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นอย่างภาษาริบบอย่างนี้น จุลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังท่านอาจิชิอยู่ณนสะถานที่ใดทิศไหนภาษาเรียบบทก็จะต้องหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วก็กราบพระอาจิชิแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นแต่ถ้ามีใครถามอีกวานเ อ, อสมมุติว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันออกพระอาจชิชิอยู่ทางทิศตะวันตกพระษาเรียบตรจะหันหัวไปทางไหนวะ ถ้ามีคนมีคนเอยากจะถามอย่างงั้นหลวงพ่อก็คงจะเอถ้าให้หลวงพ่อตอบหลวงพ่อก็คงจะว่ากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบพระอาจารย์ชี้และก็หันเท้าไปทางที่ใตห้หันไปทั้งสองข้างเหมือนกันออทําไมหลวงพ่อยังพูดอย่างนั้นจะถือว่าพระอาจารย์ชีเป็นครูบาอาจารย์ทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ธรรมแก่พระอจิ ช, ชิถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าต้องเหนือกว่าพระอจิ ช, ชิในเนื้อหาถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตัดสรุปธรรมถ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรูรุ้ปธรรมพระอจิ ช, ชิที่เป็นพระสาวกจะไปตัดสรุระธรรมได้อย่างไงก็ต้องพระพุทธเจ้าต้องเหนือกว่า แต่ท่านสาัฤบุตรทำไมท่านจึงเคารพอาจิชิท่านเคารพทั้งพระพุทธเจ้าด้วยท่านเคารพทั้งพระอาจิชิด้วยท่านเคารพทั้งสองอย่างเมื่อกุญแจพระอาจิชิเป็นผู้เปิดกุญแจไขกุญแจดอกแรกเมื่อผ่านประตูเข้าไปแล้วก็ท่านก็เดินเข้าไปหาคลังสมบัติพระคลังหลวงพึกคลังสมบัติคือเพชรนินจินดาอยู่ข้างในอันดับแรกก็คือถ้าว่าไม่เปิดประตูเข้าไปพระสรฤบุตรก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหา คลงสมบัติคือเพชรนินจินดานั้นได้เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรท่านจึงเคารพพระอจิชีนี่คือเป็นผู้เปิดเปิดท้องพระคังเมื่อเปิดให้แล้วถ้าพระอัจิชิไม่เปิดท้องพระคังไม่เปิดกุญแจให้พระสารีบุตรก็ไม่เข้าไปไม่ได้ในเมื่อพระสารีบุตรเมื่อเมื่อพระอจชิชีเปิดกุญแจเข้าไปแล้วพระสารีบุตรท่านก็เปิดเดินเข้าไปในท้องพระคัง จากนั้นท่านก็นได้เพชรเม็ดงามคือพระอาหารหันต์จากพระพุทธเจ้าที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งท่านอาชิชิเป็นสองแต่ท่าพูดท่านไปยันในสถานที่ใดอยู่ใกล้ท่านก็กราบพระท่านพระอาชิชิท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านก็กราบพระพุทธเจ้าแค่นั้นท่านไม่ให้หลงลืม ใน่ลัของพุทธศาสนานพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่เบื้องกลุงพ่อได้กล่าวพ่อแม่คือใครเป็นบุคพอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุท ธ, ธดาคนแรกที่สอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งต่างๆเอาชีวิตรอดเข้ามาได้นะ่คื อ, คอพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและให้ความรู้ประครบประงมเลี้ยงดูเรามาเพราะนั้นอย่าเนรคุณให้ะระลึกถึงพระคุณของท่านเอาไว้ให้จงหนัก จากนั้นกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดจิตวิญญาณของอาจารย์ที่แท้จริงก็มีทําแบบพอได้ไปขอเงินพราะได้เงินเดือนไปทีก็มีแต่ถึงยังไงท่านก็ยังสอนพวกเราให้รู้จักกอไก่ขอไ ข, ข่เลขบวกลบคูณหารอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์จากนั้นก็มาศึกษาวิชาในทางพระพุทธศาสนาวิชาธรรมะ ศีลเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้นะศีลเป็นอย่างนี้นะคุณธรรมเป็นอย่างนี้นะจริยธรรมเป็นอย่างนี้นะอเดินปัญญาเดินอย่างนี้นะเดินสมาธิเดินอย่างนี้นะพิธีปฏิบัติศีลอย่างนี้นะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัมมาครวะอย่างนี้นะอให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างนี้นะให้มีทานมีศีลมีภาวนานะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านสอนในระดับหนึ่งแต่ถึงยังไง ทุกทุกระดับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์สอนให้แก่เราถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นครูบาอาจารย์อย่างที่พรามไปเรียนวิชามะม่วงออกลูกในฤดูการอย่างนั้นไปเรียนกับคนจันทานผลนิสูรก็ปลาหมัดอายเขาว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ของคนจันทานผลนิสูรก็เลยเสื่อมทั้งลาบทั้งยศ ไล่ออกจากนอกประเทศอีกพระเจ้าแผ่นดินมีคุณธรรมยกจันทานึันนั้นแะเป็นโปรโลหิตแทนกรรมคือการกระทาถ้าใครทำดีแล้วเรื่องเกิดขึ้นมาตระกูลไหนเนะ่ยจะสำคัญชะไหนไม่ใช่ว่าตระกูลเศรษฐีจับไฟแม่ร้อนตระกูลที่เดียนด็อกเตอร์มาแล้วตระกูลนี่ร่ำรวยจับไฟแม่ร้อนไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าจับไฟเข้าไปร้อนหมดทุกคนนะเพราะกรรมชั่วยนะกรรมชั่วคือไฟนั่นแหละในลัของพุทธศาสะนะานอะกตังทุกกตังสเสโยปัชชาตะปฏิทุกกตังยนะกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่านะนะเพราะกรรมชั่วนั้นเผาผ่านเมื่อเมื่อภายหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะนะนะถ้าว่ากรรมคือการกระทำํำนะไม่เลือกชาติชั้นวันณนะถ้าใครทํากรรมไม่ดีไว้กรรมนั้นก็จะต้องตามสนองเนะีนะ่ย อย่างที่พราหมณ์โปรหิตท่านได้ปราหมัดครูบาอาจารย์ของท่านท่านได้เสื่อมทั้งลาบเสื่อมทั้งเสื่อมทั้งยศไม่เป็นที่ยอมรับของปรากมาใยุคนี้สมัยนี้ก็ฟังดูแล้วก็ออไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนีพวาะนันก็เป็นตัวอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง ทำมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือเราก็เคารพนับถือในใจลึกๆถึงจะเราไม่ได้อยู่กับท่านอย่างเราไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่นี้ <c oughs> เราฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เทิดทูนบูชาเออพระพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆพูดเป็นธรรมจริงๆไม่ได้เบียดเบียนใครจริงๆเป็นกลางจริงๆทำคุพระธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ให้เบียดเบียนเขาไม่ให้เบียดเบียนเรา เบียดเบียนเขายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกปกพร่องประโยชน์ท่านก็จะให้ขาดตกปกพร่องด้วยความไม่ประมาทนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางจริงๆริงท่านเป็นธรรมจริงๆริงเพราะนั้นพวกเราในฐานะพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานเกิดมาจุดท้ายภายหลังควรจะศึกษานะศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายระดับ จนที่สุดก็คือสามารถที่จะชำระใจของตนเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์รู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรงได้ธรรมะของพระเจ้าถึงถึงความบริสุทธิ์ขนาดนั้นเหมือนกัโนอันรบพรอนุโมทนาให้พร